أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, وس ص ل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشبعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليب الحكيم รับช رح لي فضري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يقه قولي اللهم ا ن ف ع إ ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ر ั نا آتنا من لدٰنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى วันสองวันมานี้นะครับในพื้นที่บ้านเราก็มีเหตุการณ์เรื่องของไอ้ทีบัติทางธรรมชาติอัลลอฮฺมูสต่างานอัลลอฮฺมะอินอัลลอฮฺมาร์ฟ่างนาลเบลาขอร่วมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นบทเรียนกับพวกเราเป็นสิ่งที่อัลลอลาจะเพิ่มความแข็งแกร่งของความศรัทธาความเชื่อมัน่นอิมานในหัวใจของพวกเราพร้อมๆกันที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ยืบยืนความช่วยเหลือให้กับพี่น้องที่กำลังอาจจะประสบกับความลำบากนะครับในช่วงนี้อัลลอมุสตาอัลฮัมดุลิลลา์สุรตุชูระวันนี้เราจะอ่านให้จบ ซึ่งค้างเอาไว้นะครับตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นกลุ่มอายัดเดียวกันตั้งแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกรือสิบสามหรือเปล่าสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหวันนี้เหลืออีกสองอายัดอยากจะให้จบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเรจะเริ่มอ่านตั้งแต่สิบห้ากับสิบหกน่าจะจบแล้วแหละอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตลลาห์พูดถึง การยึดมั่นในศาสนาของพระองค์นะครับซึ่งเป็นศาสนาเป็นคำสอนที่พระองค์ได้สอนบรรดานบีมาตั้งแต่ยุคสมัยนูฟและบรรดานบีทุกคนก่อนหน้าท่านนบีของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ่อายต์ที่สิบานะับอัชชูรอ أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك ف, ف د ع و ا ا س ت ق ن كما أمرت ولا تتبع أ ه و ا ء ه م وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أ َ ن ز َ ل َ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأمرت لأعدل بينكم الله <ل ح net repay> <ال ربنا وربكم <ال <ل ح concrete> ل ลนَ ا أ า عمال น ا و ว ل ล ك ُْุอา عمال لَا ُุลَّุจ ب َ ي ْ ن บ ن َนนَ ب ว ي บ ن َนคْุ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الحمد لله ما شاء ا ل อะที่สิบห้าเนี่ยเป็นคาสั่งเป็นประโยคคาสั่งนะครับ <يد> <c oughs> หลังจากที่อัลลอฮฺตะลาได้บอกเล่าได้ตกรีร์ได้ประกาศว่าศาสนาของพระองค์ก็คืออิสลามศา ส, สนาของพระองค์เป็นศาสนาเดียวกันตั้งแต่บรรดาอัมบิยาอุลลูอาซมีในสมัยอดีต <c oughs> หลังจากนั้นมีการแตกแยกกันในหมู่ประชาชาติมีความขัดแย้งกันจากศาสนาเดิมของอัลลอฮฺ มีความสับสนวุ่นวายเยอะแ ย, ยะไปหมดในภาวะแบบนี้เราต้องทำอย่างไรนี่คือคำสั่ง <c oughs> คำสั่งก็คือ f a <c oughs> ถ้าเรานับดูอายะนี้นะมันมีเกรอดยดูนิดนึงอิมุกัซีร์บอกว่าอายตนี้เป็นอายตที่สวยงามนะครับ ا ิ ت م ل ت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات م س ت ق ل ا كل منها منفصلة عن التي قبلها مايايات นี้พี่น้องลองนับดูนะมันหยุดได้สิครั้งเป็นอายะที่หนึ่ในจำนวนอายะที่มีความสวยงามมากเขาเรียกว่ารวบรักแต่ทรงพลังอายะเดียวครบ อยู่ในนี้ครบหมดเลยในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายต้องทํายังไงทําแนะนําจากอัลลอ ล, ลฺอยู่ในอายะ์เดียวแต่มีสิบอย่างอยู่ในนั้นที่เราสามารถใช้ในการทําให้ตัวเองยืนหยัดอยู่ได้และสามารถใช้ในการโต้อตอบกับกลุ่มที่กําลังจะโจมตีกล่าวหาดูถูกดักตัก้ซึ่งอลัลลอฮฺวะลาณิฮฺ สิว si ่าอ no, ้าย il ัตเตลกุลส so. uh ีไม่มีอายัดใดที่สวยงามแบบนี้ไม่มีตัวอย่างหรือว่าไม่มีไม่มีอายัอื่นที่จะเอามาเปรียบเทียบกับอายัดที่สวยงามในลักษณะของการเรียบเรียงเนี่ยนอกจากอายัดกุลสีอายัดกุลสีก็มีสิบอ้อนเหมือนกันอัลลอฮุลองนับดูนะอัลลอฮุลาอลาหอิลลนึ่งอัลฮยลุาลาถ้าขุธูสินะตุวลานละูมาฟิสสมาตวมาฟิอั أ, الذي إ, إ ن الذي يشف عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا, و الع الع ى ي أ ل ر ض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم س ب د ن ي ف ذ ل ك ف د ع و ت ت ع ه م واستقم كما أمرت س ولا تتتبأهواهم و ق ُ ل آمَنتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ ك ِ ت َ ا ب ِِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ه الله ربنا وربكم ه و لَنَأَمَ ي ُ ن ْ ع َ ي ن َ أَنْتُمَا ب َ ع ْ م وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ت َ ا ها ها ใช่ والله ربنا وربكم لَنَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ع م َ ا ل ُ ك ُ م ْ ك ِ ل َ ل ا ح ُ ج ة َ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْن เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคุยกับคนหัวรือหัวดื้อหัวรั้นเนี่ยคุยสั้นๆแต่ให้ได้เนื้อเนื้อในเน็เนตในบางคุยเนี่เนี่ยอัลอลอฮฺอัลลอฮ์สอนท่านนบิมฮามะตลองสลัมจะรับมือยอย่างไรกับกลุ่มชนที่แตกไปทางขวาแตกไปทางซ้ายไม่ยอมกลับมาสู่รากฐานแห่งเตาวีแห่งอลัลอิสลามศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอัลลให้ทำอย่างนี้ อันดับแรกเลยฟะลิ ذلك ฟะดูฟะลิ ذلك ฟะดูฟะลิ ذلك ฟะดูจงเรียกร้องไปสู่สิ่งนั้นจงเรียกร้องเชิญชวนพวกเขามาสู่แนวทางนี้เห็นไหมไอ้ที่แตกออกไปทางโน้นทางนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกยิวดีไม่ว่าจะเป็นพวกนัสซารา์ไม่เป็นจะพวกมุชลินเรียกกลับมาสู่ศาสนาอันดั้งเดิมของมนุษยชาติทั้งหมดเลยอันนี้คือหน้าที่เลย ว่สตั้ิมก็มาอุหมรธและจงยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้เหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺว่าละได้สั่งเจ้าเขาจะเป็นยังไงอย่าไปอินอย่าไปเขาเข้าพวกกับเขาอย่าไปตามกระแสเขาอะไรที่อัลลอลาสั่งนั่นคือคำถามของเรานั่นคือโจทย์ของเราคนอื่นจะเป็นยังไงจะไปทางขวาจะไปทางซ้าย มีเรื่องใหม่ๆมามีอะไรใหม่ๆมาที่มันขัดแย้งกับอิสลามอย่าไปเถอตามเขาอย่าไปบ้าตามเขาอย่าไปตามห่างเขาทำยังไงอิสติวามฟสตักิัสตกิมอุมิดินัรตอัลมุสตักิมฮะนนี่มันสาคัญมากนะครับว่าอิสติคามะอัลมุสตักิมอิสติามะมุสตักิมเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากแล้วก็ในฟะหี รอกอัลลอฮฺซ <wan olo> ุรฮ do ์อัลฟาตีฮ <ella> ์เน so, ี่ยทุกคนเล่นเนี่ยอิดินัสรัตัลมุสติกิลมันนู่นนี่ไม่ต้องการอะไรเลยในโลกโลกนี้สิ่งที่เราต้องการก็คืออัสรอตอลมุสติกีลเส้นทางที่เที่ยงตรงไม่มีหรอกนะครับเราไม่ต้องการเส้นทางที่มันแยกไปจากเส้นทางที่เที่ยงตรงอะไรที่มันไม่ใช่เส้นทางของอัลลอฮฺสุฮาห์เราจ้าละไม่ใช่เส้นทางของนบีมูฮัมมัดซลละฮะอะลัยฮิสซาลลัมไม่ใช่อัสรอตัลมุสติกิล เส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ก ล, ลับไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือเส้นทางนี้คือเส้นทางของอัสรอตลุสตะกิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นหาให้เจอเจอแล้วยึดให้มัน่นปฏิบัติให้มั่นคงยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ว่าจะเจอกับบททดสอบอะไรก็ตามนี่คือคาําส um ั่งจากอัลลอฮ์วัสดกิมเอมะอุมิรมิซฮับะเพดง มาถามท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าบอกฉันหน่อยบอกฉันสั้นๆแนะนําฉันหน่อยฉันไม่อยากจะได้คำนา่ษษาเสียหัยาวๆาบอกว่านี่อัลลอฮับอก่าไม่ต้องมาบอกอยาวขอขอสั้นๆได้ไหยอะไรที่ฉันทําแล้วให้เข้าสวรรค์อะเนี่ยคาถามของทราบบ้ ป, ประมาณนี้นะพวกเราเวลาถามโต๊ะเวลาถามอาจารย์ถามอะไร ลองเปรียบเทียบดูคําถามของเรากับคําถามของซา <Henri> บะซาบะมาแล้วถามด้านน บ, บีว่าอะไรที่จะทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์บอกฉันมาหน่อยสิสั้นฉันน บ, บีก็บอกว่าอุลเอเมันทุบิลละซึมัสตะกิมจงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่อล l l a h หมายถึงจงจงจ ง, จงดูแลความศรัทธาของตัวเองให้ดีให้ชัดเจนว่าตัวเองศรัทธาต่อ Allah วาสตะกิมแล้วจงอิสติกามะบนความถูกต้องนี้นี่แหละคือเส้นทางของสวรรค์นะครับใครที่อิสติกามะ อินนั้น الذين أقَالُوا رَبُّنَا اللهَ ثُمَّ اسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ا ل ْ م َ ل َ ا ِ ك َ ة ُ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ ت ُ ع د ُ و ن َที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาที่เขาจะใกล้ใกล้จะตายเป็นช่วงวิกฤตที่สุดในชีวิตมนุษย์นะครับวันนี้เรารู้สึกว่าเราวิกฤตนะน้ำฝนตกแค่สวันเนี่ยไม่ได้เจอดวงอาทิตย์มาสีวันรู้สึกว่าวิกฤตไหมวิกฤตนะ วิกฤตเล็กๆน้อยๆแค่สี่วันเองนะสมัยก่อนพวกอาร์ตอารตตาลาบอกพวกอารกีาา่วันสัราฮา عليهم สบปาเลียาเจ็ดคืนวะสมานย์เทายามเจ็ดคืนแปดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นยังไงครับตายเกลี้ยงรลกมาฟฮาสรตายหมดเลยอายุอัตเจ็ดวันเจ็ดคืน8ปดวัน ในเราแค่สิวันมึงนะก็เยอะแยะหละลาฮาลัลัลลอฮลลาบิลลาะลาอิลาฮอิล allah เพราะฉะนั้นวิกฤตในโลกดนียาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตนาดไหนก็ตาม่ยังสู้วิกฤตวินาทีสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมหายใจไม่ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตที่สุดใครก็ช่วยไม่ได้มีใครช่วยได้ไหมถ้าเราจะตาย Pauli malaikat malaikat ma awin yang opcang raga ikhaya cajcui rau ne bang mana ini arah itu cajcui rau istiqamah Allah Taala berkata orang yang beriman dan beristiqamah akan beriman sehingga hari kiamat. เพื่อที่จะมาปลอบใจและเข้าฝนอะไรกมไม่มีความกลัวอยากกลแตคอฟูแตะนูอยากลัวอย่าเสียใจเลยมีข่าวดีมาบอกพวกเจ้าจะได้เข้าวสวรรค์แต่ต้องทำยังไงย AH อย่าพ้นวิกฤตนี้อิสติกอมาเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่เราเจอบอ่อยและมีความสำคัญ ม, มากในชีวิตของเรา้องต้องจาให้ดีนะครับ was um t a k มนะจาอัลลอฮ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อกลิกย่อยของการอิสติกละมะถ้าอิสติกละมะต้องไม่ตามอารมณ์ไฟตัม้มภาวานัศสูของคนอื่นของพวกที่มาล่อลวงของพวกที่มาเจริญจวนของพวกที่มาโฆษณาน่าสนใจที่ว่าเราแต่ละาลาใช้คําว่าอย่าไปตามศาสนาเขาไม่ใช่เราแต่ละาลาใช้คําว่าอย่าตามอารมณ์ของพวกเขาเพราะอะไรนี่คำอธิบายอซาดีอธิบายเนี่ยน่าสนใจมาก อ่า ولم يقل ولا تتبعينهم ต ل ل, ل ه تعالى 말해봐ว่าอยากตามศาสนาของพวกเขาเพราะอะไรที่ละตาล์ไม่ได ok ้ใช ah ้คําว่าศาสนาแต่ใช้คําว่าอารมณ์แทนพวกเขามีศาสนาไหมมุสลิกมีศาสนาของตัวเองไหมมีเยโฮดีมีศาสนาของตัวเองไหมมีนัสซรามีศาสนาของตัวเองไหมมีแต่ว่าละตาร์บอกว่าอยากตามอารมณ์ของพวกเขา ไม่ได um ah um ah ้บอกว่าอย่าตามศาสนาของพวกเพราะว่าแท้จริงแล้วน ح ق ق ي ن ه م ا ل ذ ي ش ر ع ا ل ل ه ل ه م و د ي ن ا ل ر س ل ك ل ه م و ل ك ن ه م ل م ي ت ب ع و ب ل ت ب ع ح و ا ประชาชนของมูซาพวกยิวีก็มีศาสนาตัคือศาสนาที่อัลลตประทานลงมาให้กับมูซาศาสนาอิสลาม ประชาชาติของอีซาเอลฮะอิสลามก็มีศาสนานอซรอก็มีศาสนาอันก็คือศาสนาของอีสาเอคืออิสลามแต่คนพวกนี้ตามไหมศา ส, สนาของโมูสาตามไหมศา ส, สนาของอิสาเอลไม่ได้ตามตามอารมณ์และฮาวานัตสูของตัวเองเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นกันจี้จุดใจดําว่าคนพวกนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มีศาสนาเหมือนกับที่อัาลลอฮฺตรัสประทานลงมาแต่แรกแต่เละเทะหมดแล้ว เป็นอารมณ์และฮาวานับซูหมดแล้วจะใส่อะไรก็ใส่จะเอาอะไรออกก็ออกนี่คือสภาพความเละเทะในศาสนาที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะฉะนั้นลอาทั้งหลายก็เลยบอกท่านนาบี Muhammad صلى الله عليه وسلم ว่าวลอาจจะแต่เบอะฮวเอาอย่าไปฟังพวกนี้เพราะพวกนี้ไม่ได้เอาศาสนามาเูาเอาอะไรมาพูดเอาฮาวานับซูของตัวเองแล้วมาทําให้กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นศาสนาของพวกเขาวัลัยาดุบดลิลลาฮัยมดล และอิลล il ัลลอฮชัดเจนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาคปฏิบัติหนึ่งดาวะเชิญชวนอย่าลืมเท่าที่เราสามารถจะทําได้เชิญชวนคนกลับมาสู่ศาสนาขององค์สุบฮานาาะอัลลอฮฺและตัวเราเองก็จะต้องอิสติกละมะและจะต้องไม่ปฏิบัติตามอารมณ์อาวาันัตสุของคนที่ไม่ได้มีศาสนาอย่างแท้จริงนี่เป็นภาคปฏบิบัติเลยไม่ใช่ภาคคําพูดภาคคําพูดอยู่หลังจากนี้ وقول آمنت بما أنزل الله ั ن كتاب ผัก <اب> คําพูดในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการประกาศออกมาก็จะต้องบอกว่า آمنت بما أنزل الله من كتاب จริงๆแล้วคําพูดตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคําแนะนําจากพระอ AH ลค์ Allah Subhanahu wa Taala ว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องถกเถียงซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่จําเป็นต้องถกเถียงก็ไม่ต้องถกเถียง อิสติกลมของเราเนี่ยด่าว่าของเราเชิญชวนของเราทําภารกิจของเราแต่ถ้าสมมุติมีคนมาก่อกวนมีคนมาอยากจะตกเถียงโต้เถียงกับเราให้พูดว่าอย่างไรงเพราะว่าพวกนี้บางทีมันก็กวนประสาทอ่พวกเคยพวกที่มีคำปีมาก่อนหนะ้าท่านอบดมุฮัมมัดเนี่ยเรียบางทีพวกผูช้ชนจีนเองเป็นพวกที่ชอบกวนประสาทชอบมาพูดถักฐางชอบมาใสาใ่ใครชอบมาสร้างความ เคลือบแคลนสงสัยในศาสนาของ Allah เพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาถ้ามีความจําเป็นที่คนพวกนี้ตั้งคําถามกับเราสมมุตินะมันจะมีคําถามว่าแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยศรัท ธ, ธาต่อโมเาหรือเปล่าศรัท ธ, ธาต่อ ต, อ, ตอร์รอหรือเปล่าศรัท ธ, ธาต่อคมภีร์ของพวกเราไหมเราก็คัมภีร์ของเราก็มาจากอ a l l a ะเขาจะอ้างอย่างนี้นใช่ไหมครับโอ้ยคนเดียก็อ้างว่าคำพีของตัวเองมาจากเ Allah พวกนักรัาก็อ้างว่าคำพีร์ของตัวเองมาจาก Allah ตรงมาให้กับนะัา น, นาบีอิสรเราจะตอบอยังไงถ้าเราบอกว่าเราศรัทธาเอา้าเราก็เป็นศาสนาเหมือนเขาถ้าเราบอกเราไม่ศรัทธาเราก็เสียอัคเคนะของเราเพราะเราจะต้องศรัทธาบอกอูซาน่าอิสระเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจะาลาสอนวิธีการตอบถ้าสมมติมีใครมากวนประสาทด้วยการเขาเรียกว่าตั้งคําถามข้อสงสัยว่าตกลงมุสลิมศรัทธาต่อเอวโรอ์และเอ็นเจลที่มีอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยละเอียดมาก เรายังบอกว่าเราศรัทธาต่อคำพี่ของพวกยะฮดีบอกไม่ได้แบบนั้นหรือศรัทธาต่อคำพี่ของพวกนัสระแต่สิ่งที่เราต้องบอกวิธีการพูดของเราก็คืออามันทูบีมาอันซาล ล, ลลอฮุมิงกิดะบเราศรัทธาต่อคำพี่ที่อัลลอประทานลงมาอัลลอประทานอะไรลงมาให้กับโมซาเราศรัทธาต่อสิ่งนั้น a l ะ a h ประทานคัมภี์อะไรลงมาให้กับท่านนาบีอีซสเราศักษาต่อคัมภีร์นั้นแต่คัมภีร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่รู้ผ่านมือใครมาแล้วกี่คนไม่รู้ผ่านการสังคายนามากี่รอบไม่รู้มีการเพิ่มเติมไม่รู้มีกี่เวอร์ชั่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะถ้าสมมุติเขาเอาไบเบิลมาให้เราสักเล่มแล้วนะนี่คมัมภีของ Allah แต่เราจะบอกว่าอย่างไง เราจะปฏิเสธว่าไม่ใช่คําพิกลแล้วเดี๋ยวก็โดนกับดักฝั่งนี้ถ้าบอกว่าศรัทธาก็โดนกับดักฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดยืนของเราเราต้องบอกเขาว่าชั้นศรัทธาตอบคำพิลที่องค์ตระลามาตรานลงให้กับอีซาเล่นนี้ไม่ใช่อันไหนของที่ประทานลงมาให้กับมงุงซาอันนั้นชันศรัทธาอันไหนที่ประทานลงมาให้กับอิซาอันนั้นชันศรัทธาอ่านี่คือวิธีการตอบถ้าจําเป็นต้องใช้ในการมโนรรละกับคนที่ มีเล่เลี่ยมะพวกนี้เป็นพวกที่มีเล่นเหลี่ยมนะบางทีมันมาหลายหลายแบบนะครจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกพิช i o n a ร y หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาสอนเลยนะวิธีการจะพูดกับค น, นเวลาไปประเทศนี้เวลาไปทวีปนี้จะพูดยังไงเวลามาทางเอเชียจะพูดยังไงเวลาไปทางอาหรับจะพูดยังไงเขาสอนหมดวิธีการที่จะ โอ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายของพวกเราเนี่ยอยากจะพูดอย่างไงก็พูดของเขานี่ยเขาสอนเลยเขาสอนเป็นระดับระดับละเอียดระดับปริญญาโทด็อกเตอร์เลยนะสอนวิธีการไปแพร่ของเขาอ่ะะเพราะฉะนั้นสุภาอัลลอฮ์ะนะครับอัลกุรอานเองก็ได้แนะนําวิธีการเหล่านั้นเวลาที่เราต้องเจอคนเหล่าอ่าเนี่ยงไง ف ักัทบ ا ญเราและรัสูลเราไม่ยามรอลบ إيمان บิมูซาและอ والتوراة แ ا ะอันเจลที่อัครบิบหา صدق บิบหาอัลกุรอานไม่ได้สให้เราสัตยากจาต้องกานบีมูซาและอิซาและวัมภีที่ถูกประทานลงมาให้กับทั้งสองคนนี้ไม่ใช่คำภีที่อยู่ในมือของคนเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ใช่อ่านี่คืออันที่เท่าไรอันที่สี่อันต่อไป وأمرت لأعدل بينكم ما شاء الله ชัดเจนมากไม่ว่าเราจะขัดแย้งกับเขาระดับไหนประมาณไหนแค่ไหนลึกแค่ไหนก็ตามอัลลอฮฺตัลลาก็บอกว่าให้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดประกาศให้ชัดเจนกับพวกเรานั้นว่าอัลลอฮฺสั่งให้ฉันยุติธรรมกับพวกเจ้าเรื่องความยุติธรรมเรื่องการตัดสินต่างๆาอย่าลืมว่าท่านนาบี ส, สลุสลตาตอนที่ท่านอยู่ที่มัดีนะ เป็นผู้นำของเมืองมาดีนนะยาฮดีสามเผ่าอยู่ภายใต้การปกครองของท่านนาบีถ้าสมมติว่าท่านนาบีจะใช้กฎที่จะกดขี่ข่มเหงกลุ่มที่ไม่รับอิสลามได้ไหมในอิสลามไม่มีแบบนี้แม้ว่าเขาจะไม่รับอิสลามยังไม่พอใจกับอิสลามเป็นศัตรูกับอิสลามแค่ไหนถึงเวลาที่เราจะต้องยุติธรรม ไม่มีข้ออ้างที่ว่าเขาเป็นศัตรูกับเราเราจะไม่ยุติธรรมกับเขาไม่ใช่ใน islam ไม่มีแบบนี้ยุติธรรมแม้กระทั่งกับศัตรูยุติธรรมแม้กระทั่งกับถ้าสมมุติญาตสนิทเราผิดพ่อแม่เราผิดลูกหลานเราผิดอีกฝั่งนึงเป็นศัตรูของเราเป็นฝ่ายถูกเราจะเข้าข้างพักพวกตัวเองไม่ได้ต้องยุติธรรมนี่คือความชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ท่านนบีส um ัลลัลลอฮุสซาลลัมอัลลอฮ์ตัสลาสสัมให้ท่านประกาศเลยว่อุเบรตุหรืออัลดิลาเบยนะครับฉันจะไม่ใช้อุกรมที่ไม่ยุติธรรมไม่ว่ากับใครก็ตามอัลลอฮ์รับบุาวารับบุกุณมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยนะท่านจะไม่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของพวกท่านนะพระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้กักหรือเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยก็ได้แหละเราไม่ได้อ่าอะไรก็ไล้นะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เก็บอัลลอฮ์ผูกขาดเราไม่ได้ผูกขาดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเราอย่างเดียวไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอถึงวันหนึ่งถ้าสมมติอยากจะศรัทธาขึ้นมากลัไปหาเราสักลาได้ไหม เพราะอะไรเพราะ Allah ก็เป็นพระเจ้าของพวกท่านบางที a l l า h ต่ลงก็ช่วยบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วยเพราะว่าแนะมันทั้งหมดที่นะคนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมได้รับก็มาจาก a เล a ะทั้งสิ้นแต่ว่าบางครั้งในกรณีเฉพาะในกรณีที่เกิดความโกลาหลความวิกฤตหรืออะไรบางอย่างในเวลาที่คนพิชริกีนขอจาก Allah แต่ว่า Allah ต่างาช่วยไหมก็ช่วยแนนะอลกุนะร่านก็พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ เวลาที่พวกมุสลินขี่เรือลงไปในทะเลไ ป, ไปเจอคลื่นไปเจอนูน่นนี่นั่นไอ้สามร้อยหกสิบตัวที่อยู่รอกบกะบานนี่ไม่เหลือนะไม่มีใครคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงอัลลอ์ไม่ขอแล้วลาตซามานาตชื่อต่างๆที่ตั้งขึ้นมาอยู่รอบกะบ้า์ทั้งหมด3า0ร้อยหกสิบหกสิตัวเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยตอนที่เจอคลื่นยักษ์ในทะเลนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ ไม่มีชีริกด้วยตอนนั้นเฉพาะวินาทีนั้นทิ้งสภาพความชีริกเพอรู้ไนงะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแลสะสัตวลาก็ช่วยจริงๆคนที่ถึงในสภาพวิกฤตแบบนั้นแต่คนพวกนี้พอกลับขึ้นบกเป็นยังไงครับในใสัยเดิมสันดานเดิมก็กลับมาอีกรอบหนะึนะ่งเอาเรเป็นละให้มินนเลิกเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺเราบนาอัลลอบุก Allah เป็นพระเจ้าของเรา Allah เป็นพระเจ้าของพวกท่านเพราะฉะนั้นอ่าต้องยังไงนี่เขาบอกว่าย่งไง Who are the Jamih l e ม them be accountable ไม่ใช่ว่าะอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละไม่ใช่ว่ามีแต่เราเท่านั้นที่จะปุบผ่ากับพระองค์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงอัลลอฮฺตาเลได้ถ้าเป็นผู้มีความศรัทธาเราเราวัดคนที่ได้ใกล้ชิดอัลละฮฺตาเลเนี่ยบันทีไม่จําเป็นนะ บางคนที่อาจจะศรัท ธ, ธาก่อนไม่ได้อยู่ใกล้อัลลอตฺอลาก็ได้นะคนที่แสบธาที่หลังบางทีอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺอลามากกว่าคนที่ศรัท ธ, ธาก่อนหน้าก็ได้พวกเราอย่าอย่าอย่าอย่าถือตัวเองนะ เ, เราเป็นคนที่โอ้ยอยู่มานานเป็นมุมมมินนนนาานเป็ุสลิมมานานเวลาที่เห็นพี่น้องเพิ่งรับอิสลามมาดูถูกเขาหรือดูแคลนเขาไม่ใช่ บางทีเขาอาจจะทีกว่าเราก็ได้นะครับนี่คือเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เลนาอัมาลุนาวาลคุมอัมาลูกุมอหังบัดง่ายๆคําคพูดง่า ย, ายๆเราก็ส่วนเราท่านก็ส่วนท่านถ้าสมมติท่านไม่เชื่อในอิสลามถ้าไม่มีเชื่อในอัลลอฮฺสุลตานอวลตะละสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรในวันเกียรติ์เราก็จะอยู่กั บ, กบส่วนเราเราจะรับผิดชอบเฉพาะงานที่เราทํา อำนาจที่เราทําส่วนท่านท่านไม่ศรัทธาท่านก็ต้องรับผิดชอบเองในวันเกียตรติเราไปช่วยเขาไม่ได้เราช่วยท่านไม่ได้แล้วเราช่วยท่านได้เฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นช่วยให้ท่านได้รู้จักอัลลอฮ์ช่วยเชิญชวนให้ท่านกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุลฮานะวะตะอัลละแต่พอถึงวันอัคยระ์ว่าใครตัวมันละอย่าว่าแต่ระวังมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่ก็ทั้งระหวังมุสลิมกันเองพ่อกับลูกก็ช่วยเหลือกันไม่ได้สามีกับภรรยาก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือใครได้อีกในวันอัคคีรักแต่น่อามาลูนะวอลุคุมอามาลุกุมเพราะฉะนั้นพิจารณาเอาเองเราไม่ต้องไม่ต้องมาเหมือนกับว่ากลัวที่เราบอกเมื่ออะไรนะอายัดที่ผ่านมานะคบับที่บอกว่าบางคนเนี่ยจะรับอิสลามนี่กลัวกลัวว่าตำแหน่งที่ตัวเองคือยึดติดกับคนรอบข้างโดยที่ลืมนึกถึงตัวเอง มุสลิมีนส่วนใหญ่ข้อลยาดุเบลล ะ, ะมีตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ก็คือทคนลงของท่านนาบีสุลลัลลอฮฺอาเลาะวะสัลลัมนอับดุลตะลบท่านเสียชีวิตในสภาพมุสลิมทั้งทั้งที่รู้ว่าด่วาวะของหลานของท่านเป็นด่วาวะที่ถูกต้องแต่ว่าไม่รับเพราะว่าเหมือนกับติดอะไรบางอย่างกับกลุ่มกับความเป็นเผ่าความเป็นตระกูลของโบรยชยูซุนี่แหละ เพราะจริงๆแล้วในโลกโลนียาเนี่ยยึดติดแค่ไหนพอถึงวัน akhirah ตัวใครตัวมันในพิจารณาให้ดีนะใครที่ยังไม่สามารถจะรับความจริงไม่ยอมรับความจริงการศึกษาศาสนาอิสลามตายละเพราะยังติดอยู่กับไอเรื่องพวกนี้พิจารณาดูให้ดีแล้วว่าจะเอายังไงจะเอาตัวเองก่อนว่าจะเอาจะไปอยู่กับอเพราะว่าถึงวัน a k h i ะ a h จริงๆและวน่ะอา عمال น่ะ ولاكم أعمالكم إميكريك يوملاقي نعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لنا أعمالنا أي نحن براء منكم رأوتم أيقلا فوكان نوان أخره استغفر ا ل ل لا ไม่ม nah, ีการโตเถียงอีกระหว่างพวกเรากับพวกขจบแล้วไงไม่ต้องเถียงกันแล้วพระอะไรเพราะความจริงปรากฏแล้ว อายัด น, นี้ไม่ได้ท่อนตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่จาเป็นเราห้ามไปถกเถียงกับพวกอัลลอฮ์กิจตาไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอายัต น, นี้หรือว่าท่อนนี้หมายถึงในเมื่อความจริงมันชัดเจนแล้วเราบอกเขาแล้วว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นอย่างไรดาราวะของอัลลอฮ์สุบฮานาอุตะของท่านนาบีสุลต์ละลําเป็นอย่างไรทุกอย่างมันกระจ่างชัดหมดแล้วหลังจากนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันอีก เราพูดแค่นี้พอถ้าเขาจะชวนเถียงชวนอะไรอพอและวจะเถียงกันกี่รอบอะเพราะว่าการถกเถียงหรือว่าการโมนาวอระห์เนี่ยจุดผสมก็คือต้องการหาความจรงิงต้องการหาผลลัพธ์ที่มันเป็นความจริงในเมื่อถกกันไปแล้วระยะเวลาหนึ่งระดับหนึ่งและความจริงมันก็ปรากฏแล้วจะไปเถียงหลังจากนั้นไม่มีประโยชน์แล้วหลังจากนั้นเป็นการตัดสินแล้วว่าจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นแล้วอดใจจะไปนะนะว่าไปนะพระกร่อนหน้านี้พวดมายเยอะและ้วนำเสนอไปเยอะและ้วว่าเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี้เขามีข้อสงสัยอะไรเราก็ตอบไปหมดและหนึ่งสองสามสี่ห้าจบและการพูดคุยการถกเถียงกันในประเด็นต่างๆเนี่ยมันจบแล้วหลังจากนี้แล้วอดใจจะไปนะนะว่าไปนะไม่มี ไม่ต้องมาเปิดเวทีอีกแล้วเพราะว่ามันจบไปแล้วพูดจบไปแล้วเหลือแต่การเลือกแล้วว่าจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองอัลลอฮ์ผู้ยจม ا อ ة ไปในวันแคลมัตอัลละฮ์ตาลาจะรวบรวมพวกเราทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดจะถูกอัลละฮ์ตาลารวบรวมในวันแกลมัตและตัดสินคดีความตามเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเอาละอิลฮอิลลอัลลอฮ์อิลัลลยฮินนาซีร และเราจะกลับไปห Allah าเราแต่ละทุกคนจบครับแค่นี้มีความเป็นห่วงอา่าอันนี้มีน้ำหนักหรือว่ามีมีเขาเรียกว่ามีสัมผัสได้ถึงหนึ่งความมุ่งมั่นของมุสลิมของคนที่ทำหน้าที่ในการอิกอมาจุดดีทำารงศาสนาของ Allah ว่าต้องมุ่งมั่นปฏิบัติแข็งขันในตัวเองและนะครับมีสัมผัสได้ถึงความ แม่ ว, ว่าความเป็นห่วงที่ต้องการบอกคนอื่นนะมุสลิมเวลาที่เรามองคนที่ไม่ศรัทธาต่อดเลาแต่อะไนะต้องมองด้วยความเป็นห่วงทำยังไงอยากจะให้เขานี่แหละคือคําตอบที่ว่าทำไมคนมุสลิมถึงชอบบางคนก็ถามว่าทำไมทำไมคนที่เป็นมุสลิมมีชอบที่จะนำเสนออิสลามกับคนอื่นบางทีมันมาจากแรงผลักดันตรงนี้เพราะเรารู้าอคราเนี่ยมีแต่อิสลามโน่นนั่นกครอ เราเป็นห่วงนะต้องบอกเราพูดออกไปด้วยความเป็นห่วงว่าเนี่ยเราเป็นห่วงเพราะวาวันอัคคีรอเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะมาพูดแบบนี้อีกแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอให้กับคุณอีกแล้วนะเราเสนอได้เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้วันอัคคีรอเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วเพราะฉะนั้นลองฟังดูสักหน่อยได้ไหมแล้วก็ออกไปคิดเองนะอิละฮ์อิลลออ่อออาอายสุดท้ายนะครับของวันนี้ والذين يحجون في الله منبع مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد หลังจากที่ตุเถียกันเสร็จแล้วหลังจากที่ได้ข้อสรุปในการเจรจาในการนําเสนอเรียบร้อยหมดแล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาของ Allah เส้นทางที่จะพาไปสู่สวรรค์เป็นอย่างไรอ่า ใครก็ตามที่จะทะเลาะอีกใครที่อยากจะโต้เถียงอีกหลังจากที่นําเสนอไปแล้วแล้วก็มีผู้ศรัทธากับแนวทางนี้บรรด า, า, ษ า, ษ า, า ส, สาบวบก็ศรัทธาบรรดาคนที่มีสติปัญญ า, ามีมบัดีมาสติจีบมล่ะครหมายถึงว่าอิสลามมาถึงปุ๊บตอนแรกท่านนาบีคนเดียวรู้จักอิสลามหลังจากนั้นมีใครรับอิสลามบ้างอามีนะภรรยาของท่านคดีจักร ภรรยาของท่านนบีสุลลัลลอฮุซุลเลาะห์ซุลแลมท่านอบูบักรบรรดาสัฮาบะห์ซึ่งคนที่รับอิสลามช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเอาจริงๆริอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมการเดชะไม่ต้องพูดถึงนะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมใครสคนให้เกียรติอุมารออุมารเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเห็นไหมบรรดาคนที่รับอิสลามในช่วงแรกๆเป็นคนที่ หัวกะทิแสดงว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพราะถ้าอิสลามเป็นเรื่องไร้สาระคนระดับหัวกะทิเหล่านี้จะไปรับทำไมดังนั้นอัลกุรอานบอกว่าใครที่จะมาโต้เถียงอีกมาสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับอิสลามอีกหลังจากที่มีบรรดาคนที่มีปัญญารับอิสลามไปสักจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ย แสดงว่าการอ้างการโต้เถียงของคนเหล่านั้นไม่มีความหมายไร้สาระบาติีละด่าให้ ต, ต่อต้นหมายถึงบาติีละเ้าอิละนะเป็นข้ออ้างหรือเป็นการโต้เถียงที่ไม่ได้อยู่บนฐานแห่งความเทคนิคใดอย่างใดเพราะว่าคนอื่นคนที่มีปัญญาคนที่ปัญญาดีๆเขารับได้แล้วตัวเองจะมาอ้างว่าอิสลามเป็นเรื่อง ฮะเป็นเรื่องที่โกหกพลกลมได้ยังมันเป็นไปไม่ได้แหละอ่าถ้าสมมุติว่าทุกคนในสังคมมักกะว่าไปไม่มีใครยอมรับเลยอันนี้ก็ว่าอีกอย่างหนึ่งแต่นี้มันมีคนที่ยอมรับแล้วก็สติปัญญาไม่ใช่ค น, ไ ม, คนไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนพวกเราในสังคมอ่าเป็นชนที่มีปัญญาอ่านี่คือความหมายของมันนะครับยกูลลลอออตามตามวาด ال الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به وال อ ل ذ ي ن أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله و ل ر س و ل يصدوهم عما س ل ك و من طريق ا ل خ د ا ما ตุยม้าขัดขวางมาสร้างข้อเคล็ดแพลงสงสัยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาหลังจากที่พวกเขารับอิสลามแล้วเนี่ยจะทำไดหรอขออ้างของพวกเขานั้นเป็นข้ออ้างที่ รวมแล้วแต่ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้นาะลั ا อะตุบิลละาะฮาวลาอัลลาฮฺปวดใจอัลลัฮฺบิลละนะอะสักอะสั่งดีบรัวฟาอัชบะระฮูนะอันนั้นที่น่ารัก ลิม่าเบียนลิม si ่าเบียนแล้วมีจากข้อตัดและข้อพิสูจน์ที่สัตย์ฟะอุลัยอัลมุจจัลลิลุนลิลฮักท์มิ่งบัดมัตเบียนอัจจุตุมด้าฮิจัพไอ้บาติลต์มัดฟูห์หลักอัลมาอิรับอัลลาฮเพราะว่ามีสักขีพยานที่เป็นบรรดาคนที่มีสติปัญญาไม่ได้ไม่ได้เสียสติไม่ได้เป็นคนพิการทางปัญญานะครับที่ รับ伊斯兰คนรับอิสลา ม, มเป็นคนที่ในยุคแรกๆในสมัยท่านนบีที่มารับอิสลามลก็คือเป็นคนที่เชื่อถือได้ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่พิการทางทางสมองหรืออะไรนะครับคนดีๆดัดดงนั้นที่รับอิ伊斯兰แล้วจะมาอ้างว่าอิสลามเป็นศาสนาไร้าสาระอีกเนี่ยฟังขึ้นไหมแน่นอนว่าฟังไม่ขึ้นอีกแล้ว وع เลยฮิม غضب เพราะฉะนั้นใครที่จะมาโต้เถียงในเรื่องเหล่าน <g ad am ona> ok ah. ี้อีกอลัยฮิม غضبونAllah Subhanahu wa taala จะส่งกลิ้ววะละหุมอาดะบุญชดีและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัส AllahyarubillahemalikAlhamdulillah นะครับสองอายุนี้ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะว่ันาที่ของพวกเราทุกคนในภาวะที่นะครับมีความ สับสนโอลมานมีการใส่ใครมีการกล่าวหาอิสลามต่างๆนาน า, นาเรานรอยู่ท่ามกลางความท้าทายแห่งยุคสมัยไม่ว่าจะอีกกีป่ปีอีกกี่ครั้งอีกกี่ทศวรรษอิสลามก็ยังคงเป็นอิสลามนะครับศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอลัลลทรงขอพระทยัยให้เป็นศาสนาของพระองค์และด้วยอิสลามเท่านั้นที่เราจะอยู่รอดและที่เราจะสําเร็จในวันอัคยรัสนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ฟะดูนะครับควาร้องมนุษย์อิสลามต ا س ت ق ي م استقامة ولا تتتبع أحواله يا ริ่ตามอารมณ์ไฟต่ำของมนุษย์ที่ไม่ได้อิงอยู่กับความถูกต้องจะอัลลอฮฺทรงอาณาวัต a าแต่อย่างใดแต่ถ้าถึงคราวที่เราจำเป็นจะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่เข้าใจเราก็พูดคุยกันด้วยปัญญาคุยกันด้วยปัญญาคุยกันด้วยเนี่ยจะลตลสอร Allah และอุมรตุลิอัดิลบัยน์กัมอุลานะอ ع มาลุน้าว่าลูกมะอาลุก ل ของคุระมานนี่นี่คือวิธีการเจาะร่างาสอนเราส่วนถ้าใครยังดื้อรั้นอยู่อีกก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ที่ของการไปอะไรเราบอกเขายังดื้อจังกอกจัดการเจาะร่าดการนเหล่านีเอง Allah uh, อัลลอฮฺประทานอิศร์อัลลอฮฺประทานให้เราได้รับรู้ถึงความจริงที่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ